ห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนินตอนนับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com นะคะพบกันวันนี้ กับเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือเช่นเคยค่ะแต่วันนี้ออกจากพิเศษกว่าตอนอื่นๆสักนิดหนึ่งนะคะปกติแล้วห้องสมุดหลังไหม่เนี่ยเราจะนําเรื่องจากหนังสือมาถ่ายทอดมาเล่าให้คุณได้ฟังเพียงแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษกว่าตอนอื่นๆตรงที่ดิฉันเองเนี่ยได้เชิญผู้ที่เป็นบรรณาธิการ ให้มาเล่าเรื่องจากหนังสือที่น่าสนใจเพราะว่าดิฉันเองดูแล้วเนี่ยคงไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้แน่แนเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าเป็นหนังสือขันเทพจริงๆนะคะเป็นหนังสือที่เป็นคมภีสาคัญแล้วก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยท่านโยคีที่มีชื่อเสียงระดับโลกท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าพัควัดคีตา ราชศาสตร์แห่งการอย่างรู้พระเจ้าโดยท่านประมะหังษาโยคานันทะนะคะมีผู้ที่นำหนังสือเล่มนี้มามอบให้เป็นหนังสือที่น่าสนใจค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยเกินกำลังความสามารถที่จะเล่าได้วันนี้ก็เลยเรียนเชิญนะคะอาจารย์ประมวลเพ่งจันซึ่งท่านเป็นบรรณาธิการ ของหนังสือเล่มนี้แล้วท่านก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภควัตคีตาเรื่องของโยคีเรื่องของโยคะแล้วก็อีกหลายเรื่องนะคะที่จะทำให้เราเข้าใจหนังสือเล่มนี้มากยิ่งขึ้นเข้าใจโดยที่อาจจะยังไม่ได้อ่านและเมื่อเข้าใจแล้วก็อาจจะนำไปสู่การอ่านว่าทำไมเราถึง ต้องอ่านใครคือคนที่ควรจะอ่านอ่านแล้วจะได้ประโยชน์อะไรนะคะตอนนี้อาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์อยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณรัศมีครับค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาเป็นแขกพิเศษให้กับห้องสมุดหลังใหม่ยินดีมากครับและที่สําคัญก็คือว่ามาช่วยมีเล่าเรื่องนี้ด้วยนะค ะ, ะต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะว่าหนังสือพัควัทีตาราชศาสตร์แห่งการอย่างรู้พระเจ้า ที่เขียนโดยท่านปรมาหังสายโยคนานันธาเนี่ยเป็นหนังสือปกแข็งสองเล่มจบนะคะแล้วก็อยู่ในกล่องสวยงามทีเดียวค่ะราคาชุดละ่าร9 9บาทนะค ะ, ะหนังสือเล่มหนึ่งก็มีความหนาประมาณ600กว่าหน้าคือโหแบบเป็นหนังสือที่เป็นระดับคัมภีร์ทีเดียวต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนนะคะว่าคนไทยเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อพระวัดคีตามาบ้างแต่ ถ้าถามถึงความรู้จริงๆว่าเรารู้จักพระควั์คีตาแค่ไหนอันนี้อาจจะตอบไม่ค่อยได้นะคะต้องให้อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วพระควรทีตาเนี่ยคืออะไรคะถ้าจะพูดในเชิงโครงสร้างนะครับพระควัตกีตาปเป็นบทหนึ่งในคำพีมหากราบที่ชื่อว่ามหาภาระตะในอินเดียเราเนี่ยนะครับมีมหากราบที่สำคัญอยู่22 สองเรื่องวันนะครับ <c oughs> เป็นมาหาการที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความคิดค่านิยมในสังคมเินเดียมาหาการชุดแรกก็คือรามายานะพวกเรารู้จักดีเพราะมีการแปลเป็นภาคภาษาไทยก <c oughs> ็คือ <c oughs> รามเกียรตินั่นเองรามเกียรติครับแล้วก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวที่มีบทบาทสําคัญในสิ่งบันเทิงหรือการละเล่นการแสดงของไทยเรานะครับ <c oughs> อ, อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือมหาภาระตะชุดนี้ไม่ได้ถูกนํามา อาถ่ายทอดสู่ภาพประชาไทยสักเท่าไหร่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วชุดนี้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียมากนะครับอ๋อเหรอคะหมายถึงว่าอินเดียมารามายณะกับพ ร, าาพระาพราตานี่พระมหาภรราตจะมีอิทธิพลต่อคนอินเดียมากกว่ามหากปรามายณนะเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงการอาวตารของบารรลัยเนี่ยนะครับการอาวตารเป็นพระรามนะครับมีอิทธิพลตอนน่อคนปกครองมากเพราะเหตุว่าเรื่องรามเกียรติหรือรามายณะเนี่ยครับเข้ามามีบทบาทในระบบการปกครอง รวมทั้งประเทศไทยเรานะครับเมื่อเรามีระบบการปกครองแบบพระมหากษัตริย์นะครับโดยเฉพาะในตั้งแต่สมัยอยุทยาเป็นต้นมาเราใช้ระบบความเชื่อตามคำภีร์รามายณะหรือรามเกียรติ์เพราะฉะนั้นนี้จึงเป็นเหตุว่าทําไมเมื่อเราสถาปนาเมืองหลวงของราชนจาจักรของเราจรึงต้องตั้งชื่อว่าศรีอยุทยาเพราะนี่คือเมืองของพระรามอ๋อค่ะคําว่าศรีอยุทยาก็คืออายุทยาซึ่งเป็นเมืองของพระรามอันนี้ก็มี เหมือนเหมือนกับว่ามีรากทางความคิดทางสานติพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์จึงมีความหมายว่าเป็นพระรามเมื่อมีการสัตปนากรุงรัตนโกศิลขึ้นมาก็ต้องลงท้ายว่าอยุธยาเหมือนกันและพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ก็คือพระรามเพราะฉะนั้นเราจึงมามีพระรามที่หนึ่งที่2จนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นพระรามองค์ที่10อิอนี่คือความหมายว่าอิทิพลของรามมายนะที่มีต่อวัฒนธรรมและคติความเชื่อการปกครองของประเทศไทยส่วนกรณีของมหาภารตาณ์นั้นก็คือการที่ พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกิจณะอีกปางหนึ่งอีกปางหนึ่งครับอ่าอีกปางหนึ่งพระกิจณะนี้จะมีความหมายในลักษณะที่ไม่จะเป็นเพียงแค่เป็นการปกครองเท่านั้นแต่มีความหมายถึงเรื่องคติศิลธ ร, รรมจริยธรรมของประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับเพราะในความหมายนี้คัมภีร์มหาภารตะจึงมีในยะที่สําคัญไม่ใช่น้อยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคัมภีร์ชุดนี้ความรู้หรือความ สัมพันธ์กับคำพิชุดชนี้ก็ไม่ได้มีลักษณะลึกซึ้งมากนักนะครับก็กลายเป็นเพียงแค่เป็นสังสือหรือเป็นตำรับตำรา เรื่องราวเรื่องราวในมหาภาระตะก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีใครจะจดจําเพราะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกับรามยณะเรามีการแสดงโขนเรามีการแสดง <c oughs> การละเล่นหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องราวหรือแม้กระทั่งมีพระเาอนิพลนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ซึ่งเป็น <c oughs> ที่มาของความบันเทิงของ <c oughs> คนไทยทีนี้ในกรณีเช่นที่ว่านี้นะครับที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพื่อจะบอกว่าคำพีพระควัติภิกขิตานั้นเป็นบทหนึ่งของคำภีมหากราบมหาภาระตะครับ แล้วเป็นเพียงแค่บทหนึ่งทาไมถึงมีความสําคัญถึงขั้นที่ว่าขนาดเอามาเขียนเป็นหนังสือเนี่ยนะคะยังได้ต้องสองเล่มใหญ่เลยอะคะ่ะที่สาคัญมากๆก็กลายเป็นว่าตัวมหากราบจริงๆนะครับซึ่งนี่เป็นเพียงแค่1บทเป็นบทที่6ของมหาภาระตะแต่เป็นบทที่ว่าด้วยคำสอนหรือจะเรียกว่าคำกล่าวแนะนำของ พระกิตสะซึ่ง <c oughs> เป็นพระนารายณ์อวตาะมาทําหน้าที่บนโลกมนุษย์เนี่ยนะครับสอนให้กับอรชุนซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบซึ่งมีความรู้สึกท้อแท้ท้อถอยไม่อยากจะรบเนื่องจากว่าการรบกันครั้งนั้นเป็นการรบกับญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งกับอาจารย์ซึ่งเป็นผู้สั่งสอนวิชาการมาให้กับตัวเองความรู้สึกท้อถอยในความคิดเช่นนี้นะครับจึงทําให้พระกิตสระจะต้องกล่าวข้อความอันเป็นอนุสาสนีหรือการตักเตือนและ <c oughs> สั่งสอนให้รู้ว่าหัวใจสําคัญ ของการทำหน้าที่คืออะไรพระสุทารัสิกที่มีความหมายที่สาคัญคือแต่ละคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อหน้าที่นั่นแหละคือวัจใจสาคัญของคำปีชุดนี้ครับโอค่ะเหมือนกับว่าพระอรชุนก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะของกษัตริย์ในท่านี้ในฐานะของนักรบนักรบของฝ่ายบานดบบานดบครับอ่า ค, ค, ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่เคยฟัง หรือว่าเคยอ่า น, านมาดูละครทีวีปัจจุบันผมเข้าใจว่าดูเหมือนกับประชาชนคนไทยก็กำลังชมมากับชุดนี้ในละครทีวีช่องใดช่องหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่ามีการเผยแพร่กันอยู่ตอนนี้ครับสนุกมากนะค ะ, ะที่มีสองฝ่ายคือปานดบกับเกาโ ซึ่งจริงแล้วเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันครับครอตระกูลเดียวกันแต่ว่ามีข้อขัดแย้งก็เลยทะเลาะกันและสุดท้ายลงเอยด้วยการรบที่เป็นสงครามยิ่งใหญ่เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่นะครับหมายความว่าเป็นสงครามโลกาสมมติว่าสุนทรเวชวิปคือโลกใบหนึ่งเกณฑ์คนให้ต้องแบ่งเป็น2องฝ่ายกษัตริย์ผู้นําแว่นแฟนต่างๆต้องเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็มารบกันที่ทุ่งกรุกเกษตรโหเหมือนกับโลกในปัจจุบันเลยนะอาจารย์ว่าถ้าประเทศมหาอำนาจเคารพกันเนี่ย เขาก็จะต้องหาพันธมิตรจะเป็นพวกใครพวกใครว่าต้องมีคาถามและที่ตลกมากก็คือแม้กระทั่งกรณีการรบครั้งนี้นะครับแผ่นดินหรืออาณาจักรของประกฤษณะนั้นนะครับตลกมากตรงที่ว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างไปขอความร่วมมือในการรบก็เลยได้สิ่งที่มหัศจรรย์คือฝ่ายพี่น้องปันดบได้ประกฤษณะมา พระกิตสนนี่มีจำได้ว่าเป็นทำหน้านที่เป็นสารธีรใช่ไหมพระอาจารย์เพราะเนื่องจากต้องมาทำสารธีก็เพราะพระองค์ก็มีประเทศของพระองค์และมีกองทัพของพระองค์ oh. แต่พี่น้องสองสกุลนี้ไปขอความร่วมมือกับ uh huh. ราชานาจักรหรือจะเรียกว่าในแฟนของพระกิตสนาเนี่ยไปถึงพร้อมๆกันเมื่อไปถึงพร้อมๆกันในความหมายก็คือการเจรจาเพื่อจะเป็นบรรทมิตรคําถามก็คือพระกิตสนาก็เลยมีเงื่อนไขว่าถ้าใครต้องการกองทัพไปก็จะได้กองทัพส่วนพระองค์จะได้ก็อีกฝั่งหนึ่ง ก็คือเพื่อความเป็นธรรมออหมายถึงหนูนึกออกแล้วคือให้เลือกว่าจะเอาพระองค์หรือจะเอากองทัพเพียงคนเดียวอ่าหรือว่าจะเอากองทัพของพระองค์คือคุณต้องการอะไรใช่ถ้าคุณต้องการกองทัพคือแสนยานุภาพอาวุธทั้งหมดก็เอาไปเลยเอาไปเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คืออรชนซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องฝ่ายปันดบเนี่ยเลือกที่จะเอา พร ะ, ระกิจน ะ, ะ, ะซึ่งไรกองทัพไรกองทัพไราอาวุธไร้อ่ากำลังพลทั้งบดทั้งปวงเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาผิงองคเดียวพระกิจนละจึงมาทำหน้าที่เป็นสารทีสำคัญยังไงคะอาจารย์กับการทำหน้าที่สารทีคือปกติเรามองว่าเอ้ยคนเป็นสารทีคนขับรถชื่อดูต่ำต้อยเหลือเกินทำไมถึงเอาพระราชาอีกแหวนหนึงมาเป็นสารทีให้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายสำคัญที่เป็นในยะทางมิติด้านจิตใจเนี่ยนะครับกำลังพลที่สำคัญหรือกำลังที่สำคัญไม่ใช่กำลังของผู้คนหรือศาสตราบุตร แต่กําลังของความรู้กำลสติาลังสติปัญญ า, ญญาครับพระสุดท้ายและสิ่งที่มันมีความหมายที่สําคัญแม้จะมีแสนยานุภาพมีศาสตร์ตราบุธและมีกําลังพลมากเพียงใดแต่การรบครั้งนั้นอาจจะเพียงพล้าได้พระสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สําคัญคือสภาวะด้านจิตใจพลันพระกิะณะเพียงพระองค์เดียวก็มีความหมายที่ยิ่งใหญ่และสําคัญอมแม้กระทั่งตอนจะออกรบเนี่ยนะครับมเมื่อจะเริ่มรบเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่กรณีชาวตริตราชท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งต้องดูแลพี่น้องทั้งสองฝ่ายนี้อยู่แล้วนะครับท่านมีพระเนตรบอดเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องให้มีคนมารายงานให้ฟังว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นอตอนรายงานเนี่ยนะครับจึงมีการประเมินสถานการณ์ในความหมายว่าพี่น้องฝ่ายปันดบนั้นมีกําลังแสนยานุภาพมากมายมหาศาลขณะที่ฝ่ายเกลรบนั้นขอโทษฝ่ายเกลรบนั้นมากนะครับฝ่ายปันดบนี่มีน้อยเพราะฉะนั้น การรายงานจึงบอกว่าฝั่งหนึ่งมีกําลังพลมากมายแต่อาจจะไม่เพียงพอฝั่งหนึ่งมีกาลังพลกำลังพลน้อยแต่ก็มากล้นเพียงพอความหมายแบบนี้อาจจะถูกตีความในเพียงภาษาศาสตร์อะไรเยอะแยะแต่ความหมายที่สําคัญก็คือจํานวนมากเชิงปริมาณนั้นอาจจะไม่มีคุณภาพอาจจะไม่เพียงพอก็ได้ฝั่งหนึ่งอาจจะน้อยแต่มีคุณภาพเพียงพอที่จะชนะได้ประเด็นเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นที่สําคัญเพื่อจะแสดงเห็นถึงความหมายที่สําคัญเป็นเบื้องต้นของความหมายของการ อ่าศึกษาหรือการเรียนรู้คัมภีพักวัตกีตาแล้วพระกิสณะซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชาของแคว้นแคว้นหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงทราบไหมคะว่าพระองค์เนี่ยเป็นอวตารของพระนารายหมายถึงขณะที่พระองค์อวตารเป็นพระกิสณะเนี่ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าทราบแต่ว่าพระองค์จะไม่มีความสํานึกถึงความเป็นพระเจ้าพระต้องสํานึกในความเป็นหน้าที่ของพระราชาของพระราชาพระสุดท้ายในตอนที่เมื่อพระองค์ ได้กล่าวสอนอรชุนแล้วนะเมื่ออรชุนมีความรู้ความเข้าใจแล้วและต้องการจะเห็นพระรูปของพระองค์พระองค์จึงเปิดเผยพระรูปที่แท้จริงของพระองค์ให้อรชุนเห็นอ๋อในการอวาตารนี่แม้กระทั่งอวาตารไปแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับภาคที่เป็นภาคเพรา ะ, ะฉะนั้นตอนที่พระองค์เปิดปเผยสิ่งที่เรียกว่าวิสวรรูปคือรูปอันเป็นสากลของตัวพระองค์จึงไม่มีรูปใดรูปหนึ่งเฉพาะสรรพสิส่งสรรพจักรวาลที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราก็คือพระองค์ โอ้แค่นี้ก็สนุกแล้วนะคะคุณผู้ฟังถ้าสนใจที่ไปหาหนังสืออ่านต่อได้เลยนะคะทีนี้พอพระกิศนะมาเป็นสารถีให้กับพระอรชุนก็เท่ากับว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องใกล้ชิดกันอย่างมากใช่ <c oughs> มีความสําคัญยังไงบ้างคะกับการทําหน้าที่เป็นสารถีให้กับอรชุนซึ่งเป็นนักรบนําของฝ่ายปันโดจริงๆบทสําคัญของพระกวัติกีตาก็สําคัญตรงที่เมื่อเกิดกรณีที่เมื่ออรชุนเมื่อประชิญหน้ากับข้าศึกหรือประชิญหน้ากันในสนามรบ เกิดความรู้สึกท้อแท้เพราะพี่น้องนไปไหนก็พี่น้องคนรู้จักกันทั้งนั้นพวกกันตรงๆก็คือเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นมิตรกันเพื่อเป็นสังนั้นก็เลยไม่อยากจะรบเมื่อไม่อยากจะรบก็มืออ่อนเท้าอ่อนไม่ปรารถนาจะออกไปสู่สนามรบพระกิตสนาซึ่งเป็นสารถีเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้จึงกล่าวข้อความเป็นเชิงการสั่งสอนซึ่งข้อความของพระกิตสนานี้แหละครับจึงกลายมาเป็นคำภีพักวัตกีตาอันนี้หนูสงสัยนิดหนึ่งนะคะว่าเอ จริงๆแล้วกับการที่อรชุนเนี่ยรู้สึกใจอ่อนมืออ่อนเท้าอ่อนแล้วก็ไม่อยากรบอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกที่น่าจะนําไปสู่สิ่งที่ดีก็คือเอ้ยงินก็ไม่ต้องรบสงบสึ่กันไปนเลยแล้วทาไมพระขีดชนะถึงได้กล่าวพระขวัตีตาที่ในทางอ้อมก็เหมือนเอ ย, ยุหรือเปล่าทํำไมถึงต้องให้พี่น้องต้องมารบกันให้ได้ ทำไมถึงต้องไปถึงจุดนั้นะ<ล>นะคะโดยเ้าความคิดตื้นถ้าจะให้เข <ๆ S 2> ้าใจได้ง่ายและกว้างขึ้นเนี่ยน<ค>ะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องนี้เป็นมหาการที่ต้องการจะบอกความหมายที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตอถ้าพวกเราอ่านคำพีมหาภารตะจนจบนะครับ <คะ S 1> จนจบ <คะ S 1> เราจะสนุกมากเลยที่มีการต่อสู้แย่งชิงชิงดีชิงเด่นมีการรบกันในสนามรบซึ่งเป็นฉากที่ดูเดือดและน่าสยดสยองหดหูมากแล้วแต่ถ้าเราอ่านคำพีนี้ไปจนจบ สิ่งที่มหาสารย์ที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคเมื่อตัวละครตัวสุดท้ายคือยุทธิเทียนซึ่งเป็นพี่คนโตในเป็นพี่ของอรชุนอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคนเสียชีวิตถูกกลับคืนสู่สวรรค์เป็นคนสุดท้าย ท, ทั้งที่เป็นพี่คนโตแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละคนต่างเสียชุวิไปก่อนยุทธิเทียนเมื่อมาอยู่บนโลกมนุษย์ต้องเข้าใจก่อนนะครับพี่น้องปันดบทั้งห้าคนเนี่ยมาจากสวรรค์นะครับเป็นเทพสมภพที่ให้เกิดขึ้นบนบนมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อท่าน ทำหน้าที่จบกลับคืนสู่สวรรค์ฉากสุดท้ายของคำพีรมหาภารตะก็คือบรรดาบุคคลตัวละครในมหาภารตะคนอื่นๆเช่นทุรโยอดซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ฝ่ายเก้ารบซึ่งเป็นหัวหน้าจะเป็นการรบกันหัวหน้าใหญ่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็คือทุรโยอดเมื่อกลับไปสู่สวรรค์ธุระยอดยืนรอคอยต้อนรับยุติเสียนกลับคืนสู่สวรรค์เพราะต่างคนต่างมาทําหน้าที่บนโลกมนุษย์ นั่นก็คือหมายความว่าเมื่อปฏิบัติกิจบนโลกมนุษย์สําเร็จเหมือนจบเกมอย่างงั้น่ไหมคะอาจารย์เมื่อจบเกมปุ๊บอันนี้คือตามเกมเล่นตามเกมตามเกมเพร่อมาแสดงความหมายที่สําคัญก็คือเรามาสู่โลกมนุษย์นี้เพื่อปฏิบัติกิจอันเป็นหน้าที่และเมื่อปฏิบัติกิจอันเป็นนี้สําเร็จแล้วก็กลับคืนสู่สวรรค์สุริยศซึ่งตายในสนามรบตอนที่สงครามครุกเกษตรเนี่ยนะครับก็ไปรอยุทธิเทียนซึ่งเป็นพี่ใหญ่อีกฝั่งหนึ่ง กลับคืนสู่สวรรค์อยู่ฉากจบนี้ทำให้เรารู้สึกได้เลยนะครับว่านี่คือความหมายที่สาคัญของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คล้ายๆเกมครับคล้ายๆเกมแล้วอะไรคือสาระสาคัญของเกมนี้คะทำไมทุกคนหรือว่าเทวดาหลายๆองค์เนี่ยถึงต้องลงมาเกิดแล้วก็มาห้ามหันกันมาเป็นพี่น้องกันมาเพื่อจะเรียนรู้เรียนรู้เหรอคะครับเรียนรู้รเพราะว่านบนสวรรค์เงื่อนไข และสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ที่สําคัญซึ่งปัมมาจิ่นี้ที่ว่านี้ก็มีอิทธิพลในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเราจึงมีความเชื่อตามคติทางพระพุทธศาสนาว่าบุคคลที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นจะต้อง อ, อ, อุบัติขึ้นเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นเทวดาก็สบายเกินไปเป็นเทวดาสบายเกินไปไม่สามารถรู้แจ้งทำได้อยู่ในในเด็กก็ลำบา ก, กเกินไปเพราะฉะนั<ป>้นมนุษย์นี่โอกาสที่จะได้รู้สุขรู้ทุกนะครับสามารถเห็นค่าของ ความสว่างเมื่อเราอยู่ในซ่อากลางความมืดแต่ถ้าเราอยู่ในที่สว่างโล่งแจ้งเราก็ไม่เห็นค่าของแสงสว่างก็มีบางอย่างคล้ายๆกันเลค่ะโดยหลักศาสรมเพราะฉะนั้นคติความเชื่อแบบนี้จึงเป็นคติความเชื่อที่ไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของคัมำพ์นี้่นะครับผมเราพูดถึงฉากทางสังคมกว้างๆว่าฉากแบบเนี้นะครับก็มีอยู่ในความหมายทางพระพุทธศาสนาด้วยครับค่ะโอคำพี์ของทางอินเดียในโคลลึกซึ้งนะคะที่บอกว่าไม่ได้แสดงเรื่อง เฉพาะแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งหรือว่าชีวิตใดชีวิตหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งแต่มันคือมันคือภาพใหญ่แบบนั้นภาพใหภาพใหญ่เ พ, พราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ผมบอกว่าเมื่ออรชุนได้ฟังคําสอนของปกิตสณะแล้วประสงค์จะรู้ว่าพระองค์ตัวองค์แท้จริงของประกิตสณาคือจริงใดพระกิตสณะจริงเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่าวิสวรูปคือรูปซึ่งทําให้อรชุนเห็นสรรพสิง่งแต่ก่อนนั้นนี่อรชุนไม่รู้ใช่ไหมคะว่าพระกิตสนะเนี่ย ก็เพียงแค่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองกรุงทวรารกาและพระองค์ก็ไปขอเพื่อจะขอครับจริงๆประกฤษณะทาหน้าที่ก่อนที่จะมีสงครามแล้วนะครับทําหน้าที่เพื่อเจราจาให้พี่น้องสองฝ่ายเนี่ยคืนดีกันนะครับแต่การเจราจาของประกฤษณะไม่ประสบความสําเร็จก็เลยต้องเป็นขั้นตอนจึงต้องมีการรบไม่ได้หมายความถึงประกฤษณะจะส่งเสริมไม่เกิดการรบนะครับประกฤษณะเป็นทูตสันธวะไมาตรีที่สําคัญที่จะเจราจาให้พี่น้องฝ่ายปันดลกับก อ, อรบเนี่ยคืนดีและแบ่งปัน แวนแผนแผ่นดินกันอย่างเป็นธรรมคแต่ว่าบาังเอิญว่าฝ่ายทุรโยอดไม่ยอ ม, อมเพราะมีความรู้สึกว่าทำไมจะต้องเจราจาเมื่อตัวเองถือไพนเหนือกว่าถ้ารบก็ชนะสถานการณ์มันคุ้คนๆเลยครัคเหมือนกั บ, ว, กบว่าเวลามันผ่านไปเนี่ยตัวละครที่เป็นทางฝ่ายทุระยอดนี่ก็อาจจะแบบว่าล้มหายตายจากแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อแต่บุคลิกเนี่ยฟังอาจารย์แล้วแบบมันคุ้นๆมากเลยมันเป็นฉากของมนุษยชาติหรือสังคมมนุษย์อย่างไรก็ไม่ทราบนะครับผมเองที่มีความ ประทับใจกับเรื่องในคำพีมาหากชุดนี้เนื่องจากว่าตอนที่ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศอินเดียผมเริ่มต้นการใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาในเมืองซึ่งเป็นที่กำเนิดเกิดคำพีมาห์พาราตเนี่ยคือคเมืองอะไรคะเมืองท่านในอดีตก็าเรียกเมืองนี้ว่าฮัสตินาปุระ ซึ่ปัจจุบันเมืองที่ผมอยู่ในชื่อชื่อใหม่ก็คือเมรัตเมรัตนี่คือเมืองที่เก่าแก่ดั้งเดิมพัฒนามาจากฮัสตินาปุระในอดีตผมก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับผมมีบุญได้ไปอยู่ในเมืองซึ่งเป็นที่กําเนิดเกิดคำพีมห า, หากราบอันยิ่งใหญ่ของอินเดียนี่อาจารย์ <c oughs> เล่าแบบว่าออกรสมากเลยนะคะ <c oughs> อาจารย์คะทีนี้พอตอนที่ตอนที่พกิตสนเนี่ยตกลงมาเป็นสารถีให้กับอรชุนแล้วเนี่ยนะคะตอนที่อรชุนรู้สึกว่าไม่อยากจะรบแล้วตอนนั้นที่พกิษสนา พูดขึ้นมาเนี่ยตอนแรกอเลชุนรู้ไหมคะว่าคนขับรถพระราชาพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นใครหรือว่าก็ยังไม่รู้รครับมารู้<ถ>ตอนที่ได้เห็น<ถ>ร่าง<ถ>ที่แท้จริงใช่มารู้มาตอนจบเมื่อพระกิตณนเปิดเผยวิศวรรูป<อ>แล้วแต่ว่าในตอนต้นก็พระกิตณนในความหมายของอเชุนก็คือพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์หนึ่งผู้ซึ่งมีความปรารถนาดีที่จะทําให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมมีความเพียรพ ย, ยายามตั้งใจที่จะเจรจาสื่อสารเพื่อให้พี่น้องสองสกุลนี้ เกิดความสมัครสมานสามัคคีและอยู่ร่วมกันให้ได้แต่เมื่อการเจรจานั้นไม่ประสบความสําเร็จจึงเป็นความจําเป็นที่ต้องเกิดการรบอืเพราะเป็นเงื่อนไขเหมือนกับเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เจรจาเจรจาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ด้วยความคอร์นี้จึงมีอยู่เป็นทุนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นอรชุนจึงไม่ลังเลใจเลยที่จะขอให้พระกิตสเะอขอโทษถ้าจะเลือกเมื่อกี้ก็คือยินดีเลือกพระกิตสเะเป็นเพียงแค่หนึ่งคนแต่ว่า อรชนุนมีความรู้สึกว่าคนหนึ่งคนนี้มีคุณค่าและมีความหมายมต่อการรบมากกว่ากองกำลังพลและศาตรอาวุธที่มีอยู่เป็นจำนวนมากของกรุงธวารกาอืมค่ะแล้วก็สาระสาคัญที่พระกิเซนะได้ให้สติหรือว่าได้ใช้คำว่าเตือนออสอนสอนครับสอนนะคะสอนก็คือสาระของพระขวัตขีตาคาว่าพระควัตขีตาเนี่ย คีตานี่คือบทเพลงบทเพลงพระกวะคือพระวันก็คือพระผู้เป็นเจ้าบทเพลงแห่งพระผู้เป็นเจ้าบทเพลงแห่งพระผู้เป็นเจ้าหรือบทเพลงของพระผู้เป็นเจ้าเป็นบทเพลงเหรอคะอาจารย์คีตาก็เป็นคําขับขานคํำกล่าวเหมือนเป็นอะไรคะสโลกสโลกถ้าเราเรียกเป็นสำประพันธ์เป็นคําประพันธ์แต่หมายความว่าเมื่อเรามีถ้อยคำนะครับของพระองค์ถ้อยคําของพระองค์นี้มันมีความไพเราะที่เราจะรู้สึกดื่มด่ากับความหมายอันละเอียดอ่อนลุ่มลึก ทีนี้ความหมายแบบนี้จริงเรียกสิ่งนี้ว่าคีตาคือบทเพลงหรือบทร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้ตัวพระกฤษณะนั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเทพอย่งนั้นเลยนะคือท่านสอนในฐานะเทพใช่ไหมคะท่านสอนในฐานะพระกฤษณะอ่าท่านสอนในคือเวลาพูดถึงว่าพระกฤษณะเมื่ออวตารมาโดยพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะก็เพื่อจะมาทําหน้าที่สั่งสอนการทำหน้าที่สั่งสอนอาจจะไม่ใช่หมายความเพียงแค่ถ้อยคําแต่การมีชีวิตอยู่เช่นเวลาเราพูดถึงพระราม ซึ่งก็เป็นอวตาป์ปางหนึ่งเทรวรามอมาตารปันการทำกิจของพระรามก็เช่นเดียวกันครับไม่ได้หมายความว่าคือคำพูดแต่การแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นธรรมราชาหรือเป็นเทว ร, ราชาเนี่ยต้องปฏิบัติตนเช่นไร ซึ่งนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่จำลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าคนที่เป็นพระราชาต้องปฏิบัติกิจเช่นไรจึงเป็นต้นแบบที่ทำให้เราเกิดความหมายว่าพระราชาที่ดีก็คือพระราชาที่ต้องตำรงตนประดุดังพระรามปกครองกรุงอยุทยาอืมค่ะและในส่วนของพระวักขตาก็กลายมาเป็นเป็นบทสำคัญที่มักจะมีการ แยกมาอีกเล่มหนึ่งเ<ไ>ปน็นอีกเล่มหนึ่งเ ล, เลยเลนอกเหนือนจากมหากาบมหาภาระใจแล้วก็อาจจะมีการอ่านกันอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะในส่วนที่เป็นคนอินเดียและถ้าเป็นเช่นนี้เพราะเวลาเราแปลแม้ปัจจุบันประเทศไทยเราไม่ได้แปลคมพีมหาภาราตะอย่างสมบูรณ์นะนะ แต่จะพาะพระกวัตคีตานี่มีแปลมาสู่ภาคปฏิไทยหลายจำนวนแล้วอขออนุ ญ, ญาตย้อนถามไปที่ผู้เขียนหน่อยได้ไหมคะหมายถึงว่าผู้ที่เขียนดั้งเดิมจริงๆผู้ที่เขียนมหากรามหาภารตาแล้วก็พระกวัตคีตาเนี่ยมีหลักฐานบอกไว้ไหมคะว่าคือใครเป็นเป็นมหาฤษีชื่อมหาฤษีวยสัสอาจา ร, รย์ออกเสียงแบบอินเดียมากเลยนะคะวายาสที่คนไทยแล้วถ้าออกเสียงอินเดียนี่ คือซอเสือนี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับซึ่งเป็นมาหรือศีซึ่งตามประวัติว่าท่านบางท่านเขียนสิ่งนี้โดยที่ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยก็คือหมายความว่าจะต้องพันนาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นบทสนทนาระหว่างพระกฤษณะกับอรชุนนะครับเพื่อจะเก็บบันทึกข้อความนี้ไว้ฤศีวิยะจึงเป็นฤศีซึ่งเป็นความหมายที่สําคัญว่าเป็นผู้ได้รจนาหรือบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ครับ เขียนขึ้นจากจินตนาการหรือว่าจากอะไรอะคะอ๋อถ้าถ้าในความหมายนั้นไม่ใช่จินตนาการเป็นการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องบรรยายฉากเหมือนกับเวลามีกีฬาแข่งเรือหรือฟุตบอลแล้วก็มีคนนั่งภาคอะครับก็คือว่าเรื่องนั้นมีอยู่แล้วแต่ฤษีได้เป็นผู้ที่จดจำแล้วก็นำมาถ่ายทอดอ่าภาคครับเพราะว่าจะต้องบันทึกเรื่องนี้นะครับในความหมายที่เหมือนกับเป็นบันทึกเรื่องราวที่บรรยายเรื่องราวอะไรเงี้ยครับอืม เอเคยได้ยินมาว่าพระพิคเน่ใช่ไหมคะคที่เป็นคนเป็นคนจดอันนั้นเป็นการเล่าเรื่องว่าในความหมายในความหมายนั้นเป็นคนจดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นคำประพันธ์ซึ่งท่านหรือมหาฤือศรีปยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นแต่นี้เรื่องนี้มันมีความหมายเชิงตำนานด้วยเพื่อให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นการกระทำของมนุษย์โดยปกติแต่มีองค์เทพ มาเป็นผู้ช่วยอย่าเงี้ยนะครับจึงบอกว่าพระพิคเนตซึ่งเป็นผู้เลิศทางด้านสติปัญญาและมีสังศิลปศาสตร์จึงเป็นผู้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปอคือฤาษีก็เป็นคนเล่าพระพิคเนตก็เป็นคนถ้สมัยนี้ก็เป็นคนพิมพ์ใช่เป็นเลขาเป็นเลขาพิมพ์พิมพ์ไปนะคะทีนี้อย่างเรื่องพระควร์ขีตาเนี่ยคนอินเดียโดยทั่วไปนี่เขาอ่านกันเป็นปกติไหมคะเป็นปกติครับเป็นบทสวดเป็นบท บทสาธยายบทสวดเป็นปกติบุคคลอินเดียที่สําคัญเช่นท่านมาตมะคานทีท่านจึงกับเขียนบันทึกไว้เป็นประวัติส่วนตัวของท่านว่าทุกวันท่านต้องสวดสาธยายสโลกใดสโลกหนึ่งของพระกวัตติกีตาพูดกันตรงๆง่ายๆก็คือท่านถือว่าคำพีพระกวัตติกีตาคือคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีประจําตัวท่านในห้องของท่านหรือท่านไปที่ไหนก็จะมีการพกพาคัมภีพระกวัตติกีตาเล็กๆติดตัวไปอยู่เสมอนี่เป็นบทบันทึกที่ท่านมาตมะคารทีเขียนบอกเล่าเรื่องราวของตัวท่านเองเพื่อจะยืนยันว่าท่านเอง มีความเคารพในคัมภีพระคัพตาคีตาในฐานะที่เป็นบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านน้อมนํามาสู่การดําเนินชีวิตตามวิถีที่พระกิตศรศรสอนอรชุนไว้ถ้าดูจากเนื้อหาที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นการสอนที่พระ ก, กิตศรศร์สอนให้อรชุนเนี่ยรู้จกักตระหนักในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ยวรนนักลบที่ต้องรบ ที่ต้องรบแล้วส่วนนี้เนี่ยคนอ่านโดยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักรบไม่ได้เป็นกษัตริย์จะได้ประโยชน์อะไรค่ะปราะจุดท้ายพอจริงๆแล้วคาว่าหน้าที่นี้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่ากษัตริย์เป็นนักรบแต่ทุกคนต่างก็มีหน้าที่เป็นของตนเองนี่เป็นความเชื่อของชาวอินดูนะครับที่ทุกคนเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่มีต่างอะไรกับเมื่อเรามีละครทางทีวีตัวละครทุกคนต้องมีบทของตัวเองต้องแสดงบทที่ตัวเองรับมาให้ดีที่สุดละครหนึ่งเรื่องที่มีความสนุกสนานเราใจหน้าติดตาม พระผู้แสดงทุกๆคนสนักรู้ได้ว่าตัวเองมีบทและมีหน้าที่ต้องแสดงให้ปรากฏอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกันได้กับความหมายนี้ครับผู้ฟังแล้วก็ลึกซึ้งนะคะทุกคนต้องเป็นไปตามบทของตัวเองเออนอกบทไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าความสนุกสนานของเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยขึ้นกับตัวละครทุกตั ว, ต ว, ตวนึกถึงภาพนะครับ <c oughs> ถ้าใครไดร้รับบทเป็นผู้ร้าย จะรู้สึกว่าตัวเองกําลังทําหน้าที่ที่ไม่ดีเดี๋ยวจะคนเกลียดคนชังนี่ไม่ได้ครับก็ต้องตัวร้าย้ากะฉะนั้นเราจึงมีเรื่องเล่าในสังคมไทยว่าตัวร้ายที่แสดงดีๆไปตลาดไม่ได้อะครับเพาแม่ค้าจะอ่าหน้าทุเรียนนี้ไม่ได้<ะ>เลยแม่ค้าจะปาตุกเอาเปลือกทุเรียนปลาในความหมายที่คําพูดช่นนี้พูดเพื่อชื่นชมนักแสดงคนนั้นว่าเขามีความสามารถในการแสดงเมื่อแสดงเป็นนางร้ายก็แสดงดีแค่จนกระทั่งว่าแม่ค้าในตลาดถ้าเห็นหน้าเมื่อไรจะปาเปลือกทุเรียนใส่ ถ้าอย่างนั้นคุณนุฟังคงอยากจะทราบนะคะว่าเนื้อหาในพระคัมคีตาที่มหาตรมาารมคันธีต้องต้องท่องอย่างน้อยวันละสโลกสองสโลกเนี่ยนะคะคเนื้อหาบางเสี้ยววังส่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้อยากให้อาจารย์อ่านที่ฟังสักสโลกหนึ่งได้ไหมคะอ่าผมไม่ได้เตรียมบทสโลกมาเลยนะคุณนรสุมีเตรียมไหมหรือเปล่าครับเพราะว่าหรือว่า ห ร, หรือว่าอาจารย์อาจจะพูดถึงเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่อาจารย์ประทับใจก็ได้นะคะคือจริงๆถ้าจะพูดต้องพูดภาพรวมก่อนนะครับว่าเมื่อพระกฤษณะเริ่มที่จะสื่อสารหรือสั่งสอนอรชนุนก็คือสอนให้อรชุนทราบว่าพวกเรามนุษย์แต่ละคนเกิดมาต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนที่กล่าวแล้วนะครับการปฏิบัติหน้าที่คือสิ่งที่สาคัญตรงนี้ต้องกลับไปสู่ความหมายของสังคมอินเดียด้วยนะครับ ว่าเมื่อเราเกิดมาในสังคมนั้นสิ่งที่เป็นภาระของเราหรือหน้าที่ของเราสําคัญคือเราต้องศึกษาเรียนรู้จนกระหนักให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อทําหน้าที่อะไรคําว่าหน้าที่คือธรรมะเนาะเพราะในความหมายที่สําคัญของอินเดียเมื่อมนุษย์เกิดมาเนี่ยเขาจะต้องเสพเสวยรสชาติชีวิตผ่านสิ่งที่มันเป็นคำสามคําที่สําคัญก็คือธรรมะอัตตะกามะและโมกษะอืธรรมะคือความหมายแรกนะครับที่เมื่อเราเกิดองบนโลกใบนี้เราต้องใช้เวลาประมาณสักโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยประมาณสัก 20- ่สถึงยีปี เพื่อศึกษาให้รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติบนโลกใบนี้เนี่ยคืออะไรชีวิตช่วงแรกเนี่ยเป็นชีวิตของช่วงพรหมจรีคือช่วงที่เราเรียนรู้เพื่อตระหนักให้ได้ว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อทําอะไร ช่วงนี้เมื่อเราสามารถที่จะตรักหนักรู้ได้แล้วเนี่ยครับเราก็จะต้องปฏิบัติกิจซึ่งเป็นข้ารือหัดคือผู้คลองเรือนต้องทําหน้าที่ทําหน้าที่ต้องทําหน้าที่เพราะเจ้าคำว่าทําหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมนี่เป็นหัวใจสําคัญของความหมายในคำภีชุดนี้นะครับเมื่อเราทําหน้าที่แล้วก็จะมีรางวัลให้ว่าเราจะได้มีโอกาสเสพเสวยสิ่งที่เราเป็นอัตตะคือการครอบครองมันรุดเกิดมาในต้องมีความหมายของการได้ครอบครองนะครับครอบครองพื้นที่ครอบครองชื่อเสียงเกียรติยศรวมทั้งครอบครองทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ครอครองทำไมครอบครองเพื่อเราจะได้เสพเสวยรสชาติของชีวิตที่ระกามะมแต่ทั้งหมดทั้งอัฏถาและกามะนี้เป็นสิ่งที่เป็นรางวัลช่วครูชวยามทั้นั้นเองสุดท้ายความหมายสูงสุดของชีวิตคือการที่เราได้เสพเสวยรสชาติที่รวะวมโศกสะเพรา ะ, ะนั้นกระบวนการทั้งหมดนะครับมันจะต้องเป็นไปตามลําดับกระบวนการทั้งหมดที่เป็นไปตามลําดับก็คือหมายความว่าเราเกิดมาเป็นสัญญาสีเป็นคารณัตเป็นวนัณณัปตและเป็นสัญญาสี คำพีพระกวัตกีตานะครับกำลังจะพูดถึงความหมายที่สําคัญของชีวิตว่าเมื่อเราบรรลุถึงสภาวะที่เป็นสัญญาสีสัญญาสีคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่พระองค์สอนอรชุนก็สอนให้รู้ว่าการทําหน้าที่คือการบําเพ็ญกิจที่สําคัญและสุดท้ายการทําหน้าที่มันจะเป็นขนทางหรือเป็นวิถีที่ให้เราบรรลุถึงสภาวะที่เป็นสัญญาสีที่สมบูรณ์สัญญาสีกับโยคีนี่คืออันเดียวกันนะครสัญญาสีนี้แปลว่านักบวชได้ไหมคะสัญญาสีจริงๆความหมายก็คือพูดถึงบรรลุสภาวะที่สลายอัตราตัวตนได้แล้ว Oh. คือสามารถทําให้ความเป็นตัวตนของตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะทึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าในความหมายตรงนี้ผมอาจจะขอพูดซับเทคนิครี่หน่อยนะครับว่าเมื่อเราเกิดมาครอบครองพื้นที่ก็คือเรามีกาย <Okay. S 2> ครอบครองกายเนี่ยครับเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าชีวัตจมันคือตัวตนที่ครอบครองพื้นที่แห่งกายของเราแต่อชีวัตมันนี้กายของเราก็เป็นพื้นที่เฉพาะชั่วคราวสุดท้ายมันก็จะสลายไปตามธรรมชาติความหมายที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่คือเรามีอัตตมัน และอัตมันสภาวะนี้นะครับถ้าเราบำเพ็ญตนจนกระทั่งเป็นสัญญาสีได้แล้วเราก็สลายสภาวะซึ่งเป็นอัตมันนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกับความจริงอันสูงสุดคือพรหมันอืเพราะฉะนั้นในตัวสิ่งที่มันเป็นภคกวัตตะกีตาจริงๆก็คือเป็นคู่มือเพื่อเราจะได้บำเพ็ญตนให้บรรลุถึงพรหม ว, วิเชียรคือความรู้ที่เราจะไม่รู้สึกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือไปจากตัวเราอีกแล้ว ทีนี้ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งอ่ะมันเป็นเป็นเอกภาพเป็นความจริงที่มันมีความหมายว่าสักใครบรรลุถึงตรงนี้ได้แล้วนั่นก็คือไม่มีสิ่งใดที่น่าชิงชังรังเกียจไม่มีสิ่งใดที่จะต้องทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นอื่นอีกแล้วทีนี้ความรู้สึกแบบนี้เป็นหัวใจสําคัญของศาสนาอินดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคมภีพักวัตกีตาที่เราบอกเป็นศาสตร์ชั้นสูงก็คือการเปิดเผย ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้มนุษย์แต่ละคนทุกๆคนนะครับทุกๆคนมไม่จําเป็นว่าต้องเกิดมาเป็นกรรษัตริย์เป็นชาตินักรบเราทําอะไรก็ทําในความหมายที่เรากําลังปฏิบัติกิจคือปฏิบัติธรรมเพื่อจะบรรลุสภาวะที่เป็นความรู้ชั้นสูงเรื่องพรห ม, มวิเชียรซึ่งตรงนี้ครับผมก็จะนิคุ้มวใจสําคัญของกระบวนการที่เป็นโครงสร้างของพระกวัตกีตาพระกฤตสนาจึงพูดแสดงให้อรชุนเห็นว่าการรบก็คือหน้าที่ของอาชุนที่เกิดมาในวนนรรณะกษัตริย์การทําหน้าที่อย่างสุดจริตใจ คำว่าสุดจริตใจก็คือไม่ได้กังวลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นจะเป็นผลคือการได้ครอบครองแว่นแควนแผ่นดินหรือความพ่แพ้อับจนแต่การทําหน้าที่อย่างดีที่สุดตรงนี้คือความหมายที่สําคัญทีนี้เพื่อจะทําหน้าที่อย่างนี้ได้จึงมีคําสอนต่อไปถึงเรื่องการความเข้าใจเรื่องธรรมชาติที่แท้จริงของตัวตนธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งที่เกิดปรากฏให้เราเห็นและความหมายเช่ิว่านี้จึงเป็นรายละเอียดนะครับที่ในคมภีรพัคกวัตกีตาจึกอธิบายหลักธรรมคาสอนของความเชื่อของฮินดู ซึ่งจริงๆพวกเราที่เป็นชาพุทธอาจจะไม่คุ้นชินกับคําสอนแบบนี้นะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เป็นฮินดูในความหมายช่วงนั้นจริงๆพักวัติกีตามีความใกล้เคียงกับทางพระพุทธศาสนามากครับเพราะแม้กระทั้ง<ช>สิ่งที่เป็นการบรรลุชั้นสูงเนี่ยนะครับใช้คําคําเดียวกันเลยครับว่าเป็นสภาวะที่เป็นนรพานหรือเป็นนิพพานก็คือบรรลุถึงสภาวะซึ่งตัวเราเข้าถึงสภาวะที่เป็นนรพานหรือนิพพานนะครับ แต่กระทั้งมีข้อถกเถียงกันว่าคําว่านิพานหรือนริพานเนี่ยเป็นของพุทธเดิมอมหรือมาจากฮินดูฮินดูเดิมอมต่างฝ่ายต่างก็อ้างอิงของฮินดูบอกว่านี่ไงที่บอกพุทธกับฮินดูก็เป็นส่วนเดียวกันเพราะเป้าหมายสูงสุดก็อัเดียวกันฝั่งพุทธก็บอกว่าคำพีนี้เกิดขึ้นหลังพระพุทธศาสนาแน่นอนพระเอาคำว่านาริพานไปใช้เป็นเป้าหมายสูงสุดของเป้าหมายชีวิตอย่างเงี้ยแต่ประเด็นไม่ต้องเถียงกันครับจะเป็นของใครก็ไม่ จำเป็นแต่จําเป็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับในความเป็นจริงสูงสุดว่าเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นแล้วเราก็ได้บรรลุความรู้ชั้นสูงค่ะแล้วก็ต้องทําลายอัตตาเหมือนกันต้องทำลายอัตตามองว่าอัตตานี่แหละคือศัตรูสําคัญของการที่จะหลุดพ้นไปจากวิีแษ่งการทําลายอัตตาตามฝ่ามายนี้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่ากรรมโยคะกรรมโยคะก็คือฝ่าม้าที่เราปฏิบัติกิจหน้าที่นั้นตามหน้าที่ แล้วสุดท้ายการทำเช่นนี้ได้มันหมายความจริงเราสลายความยึดมั่นถือมันเพราะถ้าอารชุนยังคิดว่าที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้น <Okay. S 2> คือญาติคือพี่น้อง mm hmm. คือครูก็ยังเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งว่าเป็นญาติของตัวเอง mm hmm. ถ้าเป็นญาติตัวเองไม่รบแต่ถ้าเป็นคนอื่นรบสิอย่างนั้น mm hmm. ก็แสดงว่าการรบของอรชุนก็ไม่บริสุทธิ mm ์ hmm. ยังมีความหมายจึงเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้นในความหมายนี้ผมเข้าใจว่านี่คือรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆแต่ก็เป็นพื้นฐานที่สามารถสิ่งที่เรียกว่าพระวัตถิกีตาปรากฏขึ้นในความหมายซึ่งสามารถจะสื่อสารกันในโลกยุคปัจจุบันได้ประสุดท้ายแล้วกา อ, อ่านพระกวัตถิกีตาไม่ได้หมายความถึงว่าเราต้องออกไปรบในประสุดท้ายและที่สําคัญคือผู้ซึ่งเขียนคําอธิบายนี้ก็คือท่านโยคานันทะท่านกกำลังพูดถึงความหมายว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรียกว่าคู่รุเกษตรคือที่อันเป็นสนามรบไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่ไหนคบอยู่ในใจเราเอง ในความหมายที่ว่าจริงๆแล้วชีวิตมันก็คือการรบนั่นแหละใช่คือการรบกับว่ารบกับรบกับใครรบกับใครรบกับใครเพราะฉะนั้นความหมายที่สําคัญท่านพยายามจะถอดรหัสสิ่งนี้ออกมาสู่ความหมายว่าสุดท้ายแล้วจริงๆพวกเราก็กําลังอยู่ในสมรภูมิรบและสมรภูมิรบนั้นก็คืออยู่ในพื้นที่ในหัวใจของเาว่ากุรกเกุเกษตรเกษตรที่เป็นความหมายจริง เ, เ, เป็นพื้นที่เนี่ยนะครับและพื้นที่ที่สำคัญตรงนี้ในพระพุทธศาสนาจริงใช้คำว่าพุทธเกษตร นี่คือความหมายที่สําคัญว่าพวกเราแต่ละคนต่างก็ต้องดูแลพุทธกเกษตรของเราให้ให้ปลอดภัยให้ปลอดทนเพื่อจะให้โพต้นโพหรือโพธิเนี่ยงอกงามขึ้นมามผมเข้าใจว่าวิธีการตีฟาร์มแบบนี้นะครับก็มีอยู่ในความหมายที่เป็นสาระสาคัญของหนังสือพระควัตกีตาชุดนี้ครับพระท่านมหารือศรโยคีโยคานันทะท่านต้องการจะสือ่อความว่าสุดท้ายและพวกเราแต่ละคนต่างก็เป็นบุคคลซึ่งกําลังอยู่ในสมรภูมิรบที่คุรุกกรเกษตรในใจเราเองครับ ต้องรบด้วยกันทั้งนั้นสำหรับหนังสือพัคกวะกีตาเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าภาษาไทยของเรานี่ก็มีแปลหลายหลายฉบับหลายสำนวนอยู่นะคะแต่ว่าฉบับที่นํามานํามาคุยกันในวันนี้เนี่ยที่ดิฉันบอกว่าเป็นปกแข็งเล่มขนาดหกรกว่าหน้าสองเล่มแล้วก็อยู่ในกล่องอย่างดีเนี่ยอันนี้เป็นการเขียนของท่านปรามาหังษายโยคานันทะนะคะคทีนี้ต้อง ให้อาจารย์แนะนําหน่อยได้ไหมคะว่าท่านปรารมหังษายโยคานันทะนี่ท่านเป็นใครคะเพราะว่าทราบทราบเราๆว่าท่านมีชื่อเสียงท่านเป็นโยคียที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะโด่งดังในหมู่ฝรั่งด้วยไม่ใช่เฉพาะชาวยินเดียเท่านั้น<ช>แล้วทำไมท่านถึงมาเขียนเล่มนี้คะคือจริงๆท่านโยคานันทะท่านเป็นนักบวชในศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็เมื่อท่านมีความรู้ถึงระดับที่เป็นตัวแทนของชุดความรู้จากอินเดียได้ ท่านก็ได้เดินทางไปเผยแพร่าศาสนาของท่านนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ใกล้ๆเหมือนกับบ้านเรามีพระภิกษุไปตั้งวัดวไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ศาสนาแต่ว่าท่านไปเผยแพ่าศาสนาในครั้งนั้นก็ประสบความสําเร็จจนกระทั่งจะพูดว่ามีวัดหรือมีศูนย์กลางที่กระจายไปหลายที่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เมื่อท่านแม้กระทั่งเมื่อท่านละสังขารของท่านไปแล้วบรรดา ชาวอเมริกันจํานวนมากนะครับที่เป็นสารุสิตของท่านก็ยังสืบทอดภารกิจในการที่จะทําหน้าที่ในความหมายที่ท่านได้ประกาศไว้ทีนี้ความหมายตรงนี้นะครับผลงานของท่านที่ท่านได้เขียนไว้พักรวัสกีตานี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานหลายหลายชิ้นของท่านนะครับนี่เป็น1ชิ้นที่นํามาแปลเป็นภาษาไทยท่านมีผลงานที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คืออัตชีวประวัติของโยคี ซึ่งเป็นการพูดถึงเรื่องราวในชีวิตของท่านตั้งแต่เริ่มต้นที่การท่านได้เล่าเรื่องส่วนตัวของท่า น, านเพื่อจะบอกให้ลูกศิษย์ของท่านท่านและหนังสือชุดนั้นนะครับเป็นหนังสือชุดหนึ่งที่มีความมีความหมายเปิดเผยความรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับลทัทธิโยคะหรือลทัทธิของโยคีได้ดีเล่มหนึ่งเล่หนึ่งแต่ต่อมาชุดที่สําคัญคือชุดที่ท่านใช้ความหมายของท่านแปลความหมายหรืออธิบายความหมายท่านผ่านคมภีปัจควัตกีตาตัว พระวัตสกีตาจริงๆไม่ใช่เป็นหนังสือใหญ่นะครับเป็นหนังสือเล่มเล็กก็คือเป็นบทบทหนึ่งในงาน <ha? S 2> วรรณกรรมที่เป็นมหากรรมแต่ <ha? S 2> ว่าสิ่งที่มันเป็นหนังสือใหญ่ขึ้นมาเป็นสองเล่มที่มีจํานวนหน้ามากมายนี้ก็เป็นขับอธิบายขยายความของท่านโยคานันทะ <ๆ S 1> ผมขอเล่าสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าท่านโยคานันทะท่านไปประกาศศาสนาถ้าเรานึกจินตนาการอะไรไม่ค่อเรานึกว่าในเวลาเดียวกันนั้นน่ยมีท่านโยคีท่านหนึ่งคือท่านสัตยานันทปุรี เป็นหรือเป็นนักบวชฮินดูที่เข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่7นะครับท่านผู้นี้มาอยู่ที่เมืองไทยและก็มามีความรู้ภาษาไทยจนกระทั่งเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยจํานวนหลายเล่มโอ้หรอคะครับท่านเป็นชาวอินเดียเลยหรอท่านเป็นชาวอินเดียครับเป็นเวลาท่านเป็นคนที่มีภูมิลําเนาเดียวกับท่านโยคานันทะชื่อนักบวชก็เป็นชื่อที่คล้ายๆกันคือเวลาตั้งชื่อเป็นนักบวชเนี่ยครับชื่อเดิมเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่พอเป็นนักบวชปุ๊บก็จะมีชื่อที่เป็นนักบวช ท่านที่มาสู่ประเทศไทยชื่อว่าสัตยานันทบุรีนะครับส่วนท่านที่เขียนหนังสือคมภีอธิบายคมภีพระกวัตกิตาชื่อว่าโยคานันทะคีรีถ้าจะพูดให้เต็มเนี่ยนะครับพระนักบวชของอินเดียก็คล้ายๆนักบวชพุทธไทยเนี่ยครับมันจะมีสองสายที่สําคัญสายที่อยู่ในบ้านเราจะลงใช้คําคว่าปุรีสายที่ไป อ, อยู่ในป่าเราจะเรียกว่าคีรีอ๋อปุรีก็บุรีก็คือปงเมืองครับ สาบันเราก็คือพระบ้านพระป่ า, าเป็นธรรมวาสี อ, อรัญญาวาสีคตินี้คล้ายๆกันเลยครับแต่ของเขาเรียกว่าโยคียอ่าโยคียนี่เป็นผู้บำเพ็ญตนปฏิบัติโยคะคําว่าปฏิบัติโยคะคือบำเพ็ญตนเพื่อสลายอัตตาของตัวเองอเพื่อบรรลุสภาวะที่เป็นปรมาจันมันก็คือสลายชีวิตฉมันให้เป็นปรมาจันมันก็คือละสิ่งที่มันเป็นการยึดข้องอยู่กับชีวิตนี้ให้เป็นสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ใช่แคา้ไม่เล่นโยคะอย่างเดียว คำว่โยคะที่เรามารู้จักในตอนหลังเนื่องจากว่าหนึ่งในการปฏิบัติโยคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเรียกาอาสนะนะอาสนะก็คือการดูแลร่างกายให้มีสุขภาวะที่ดีแต่นั่นเป็นเพียงบทต้นๆของลัทธิโยคะนะครับนนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นบทต้นๆครับเป็นบทต้นๆมันเหมือนกับเวลาเราเห็นคนชาวพุทธนั่งสมาธิหรือเดินจงกร ม, มเราอาจจะคิดว่านั้น คือทั้งหมดไม่ใช่นั่นคือรูปแบบ<ม>ท่านนั่นเองนะครับรูปแบบของการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาคว<ม>ามหมายของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เปลี่ย<ม>นเพียงแค่ว่าเดินหรือนั่งอ<ม>ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับคําว่าโยคะที่เราพูดถึงเนี่ยครับก็มีความหมายไม่ใช่เปลนเพียงแค่อาสนะคือท่าทางของร่างกายแต่หมายถึงการปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นความหมายให้เกิดการบรรลุสภาวะธรรมชั้นสูงเช่นเดียวกัน<ม>ทีนี้ที่ผมพูดตรงนี้ก็เพื่อจะบอกว่าท่านโยคานันทะท่านก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและไปประกาศศาสนาอยู่ที่นั่น นะครับแม้กระทั่งต่อมาเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วผลงานของท่านก็ถูกรวบรวมและกลายมาเป็นหนังสือที่สําคัญหลายๆเล่มเล่มที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือพระวัตกีตาซึ่งเป็นอัตกรตาหรือคำภีรที่ท่านเขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายพระวัตกีตาอีกทีหนึ่งอัตกรานี้หมายถึงยาัครบขยายความขยายความบ้านเราเวลาเรามีพระไตรปิฎก แล้วเราก็จะมีคมภี์ซึ่งอธิบายพระไตรปิฎกเราจะเรียกว่าอัตตกระถาคือขยายนั่นเองผมกำลังพูดถึงว่าคมภีร์ชุดนี้ก็เป็นอัตตกรถาของพระขวัตตคีตาอัตตกรถาก็คือการอธิบายขยายความให้ละเอียดมากขึ้นกว่าตัวบทซึ่งเป็นข้อความสั้นๆท่านท่านเสียไปนานแล้วยังครับท่านเสียชีวิตในปี1นึคิศสระดหนึ่พัก้าราสิบสองนานแล้วะครับห้าสิบห้กว่าปีอ่าพระปัจจุบันคือปีคิศสระดสองพัน ค่ะสองพันสิ <2018 S 2> <2018 S 1> แล้วนะ ค, ะครับกว่าปีแล้วก็เล่มนี้ก็เท่ากับว่าท่านก็เขียนเอาไว้ประมาณนั้นป ร, ประมาณนั้น <50 S 1> เพราะท่านเขียนไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มผมก็ใจว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่บรรดาศิษย์ของท่านหรือผู้ศึกษาชีวิตของท่านเพื่อก็ศึกษากันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นงานที่มีสาระมีรายละเอียดมีการตีความ ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อท่านไปประกาศศาสนาหรือไปเผยแพร่ความเชื่อเกี่ยวกับฮินดูในสังคมตะวันตกก็คือไปประกาศศาสนาในสังคมซึ่งเป็นชาวคริสต์ซึ่งนับถือพระผู้เป็นเจ้าคําอธิบายของท่านก็อธิบายเพื่อให้ชาวคริสต์เข้าใจสิ่งที่มันเป็นหลักการสําคัญหรือสาระสาคัญของคำปีพักวัตกีตาข้อความในส่วนที่เป็นคําอธิบายของท่านจึงมีการใช้ศัพท์ใช้ข้อความซึ่งเป็นความหมายที่ชาวคริสต์เข้าใจดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับมา่อเมื่อตอนที่ผมตกลงใจว่าจะดูงานชิ้นนี้เพื่อจะสําหรับให้เกิดเป็นปัสถะไชก็มีข้อถกเถียงพูดคุยกันวา่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มันเป็นถ้อยคำของท่านซึ่งใช้สัพทางคิตตสสานาตอนแรกก็มีความคิดถึงกขาบอกว่าเออถ้าท่านมาอยู่ที่ประเทศไทยท่านคงใช้ศัพที่เป็นพุทธละ มือนกับท่านสัตยานันท บ, บุรีใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าต้องเคารพในต้นฉบับถึงท่านใช้สับเช่นไรเราต้องใช้สับเช่นนั้นถ้าในสิ่งที่มันใช้คำว่ากอดเราก็ต้องแปลวพระผู้เป็นเจ้าแต่ความหมายที่สําคัญสถ้าทานอ่านไปท่านก็จะพบว่าเนื้อหาสาระมันข้ามพ้นสิ่งที่เป็นประเด็นเรื่องความเชื่อในความหมายที่มันมีข้อสมมุติเชิงภาษาแต่ไปสู่สภาวะที่ความเป็นความจริงอะนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งถ้าท่านผู้ใดสนใจก็เชิญชวนไปอ่านแล้วก็จะได้สัมผัสความหมายนั้นด้วยตัวท่านเองครับ อยากจะขอให้อาจารย์อ่านให้ฟังสักนิดหนึงได้ไหมคะในอย่างสโลกที่สิบเอดนี่ยคะ่ะมีภาษาเขาเรียกว่าภาษาอยากให้อาจารย์อ่านให้ฟังแบบอินเดียคะ่ะมีภาษาไทยแล้วก็ ส, สันสกฤตใช่ไหมคะอาจารย์อเป็นภาษาสันสกฤต ส, สันสกฤต ค, ค่ะสโลกที่สิบเอ็ดนะคะผมจฟังลองฟังดูนะคะ<ส>จะเริ่มต้นด้วยกับที่พระาวานุจวาจะหมายถึงว่าพระผู้มีพระภาค ก, ก็คือพระ กฤษณะในที่นี้ข้อบันทึกนี้ผู้บันทึกรู้แล้วนะครับวันนี้คือถ้อยคํ<อ>าของพระกษัตริย์ของพระเจ้าของพระเจ้านะครับจึงกล่าวนะครับทีนี้คํากล่าวเนี่ยนะครับเป็นคํากล่าวที่พระกฤษณะกล่าวกับอรชุนนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าศีพระวาณุชวาจะก็พลอยมาว่าพระพระองค์ผู้ประเสริฐทรงรับสั่งหรือทรงตัดว่าประมาณเนี้อโศจยาจนันนจาโศจจสตรองปรชิยาจวัตตังวสจพาสเซ คตาสูนคาตาซูจังนานุโซจันติปันติตาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะครับตหนูจั บ, บได้คำเดียวบันดิต <c oughs> บันดิตบันดิตใช่ <c oughs> บันิตาใช่บันดิตาเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตที่ <c oughs> มีออกเสียงเหมือนกันครับท่านจึงกล่าวว่าเจ้าโศกเศร้าถึงผู้ที่ไม่มีค่าควรได้รับซ้ํายังกล่าวถ้อย ค, คําคร่าครึผู้มีปัญญาแท้จริงย่อมไม่โศกเศร้าถึงผู้ที่ยังมีชีวิตหรือตายไปแล้วออื ความหมายตรงนี้อาจจะเป็นความหมายที่พวกเราที่เป็นพุทธศาสตร์ทนก็อาจจะไม่คุ้นชินแต่ในความหมายที่สําคัญเมื่อผมพูดมาากกัตสกีนะครับว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์และมาถือครองร่างกายนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายนี้ที่เราถือครองอยู่นั้นเป็นสิ่งอมตะถาวรเราความหมายของเราไปผูกพันกับกายนี้เมื่อกายนี้ช ำ, ชำชรา่าชำรุดคล่ําคล่าเราก็เสียดมเสียดายอาลัยอาวร์รรมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่มีเสื้อผ้าสักชุดหนึ่ง และวันหนึ่งเสื้อผ้านั้นเก่าแก่แล้วเราก็มาร้องไห้เสียดายว่าเสื้อผ้าขาดตั้งที่ความจริงไม่ควรทําเช่นนั้นเพราะเสื้อผ้านี้เป็นอาภรณ์ที่ประดับกายเพียงช่วงขนาดสั้นๆช่วงหนึ่งในชีวิตของเราเท่านั้นพระกฤษณะกาลังพูดให้อาชุนเข้าใจถึงความหมายของการถือครองร่างกายนี้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งที่กล่าวว่าจะรบไปทําไมเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือญาติคือมิตร กำลังจะสังหารเขาประคุริสนะกลังจะแสดงให้เห็นว่าจริงที่มันเป็นศาสตร์สาคัญมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การที่เรามารบอยู่ในสนามรบนี้แต่กําลังทําหน้าที่และทําหน้าที่ที่ว่านี้จริงๆแล้วการคิดว่าเราฆ่าญาติฆ่ามิตรเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกช่วงขณะของเราในความหมายที่เราสมมุติให้เห็นว่าเขาคือร่างนี้เขาคือคนคนนี้คนหรือชื่อนี้เพราะฉะนั้นความหมายนี้ประคุริสนะกำลังจะเปิดเผยให้อราชุนรู้ว่าการทําหน้าที่ก็คือการกระทํากิจอันสําคัญที่ถ้าเราไปยึดติด อยู่กับสิ่งที่มันเป็นเพียงแค่เปลือกเราก็จะทําให้เกิดความสูญเสียความสามารถที่จะเข้าถึงแก่นแก น, แกนสาระที่สําคัญในความหมายนี้ก็คือเราพูดให้เห็นว่าจะโศกเศร้าเสียดายไปสมัยทําไมจึงต้องกลา่าวกล่าวถึงว่าการตายการเกิดประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งข้อความนี้เนื่องจากวันคัดมาเฉพาะบางบทแต่จริงๆเรื่องราวก่อนหน้าที่จะมาถึงบทนี้มันมีเรื่องราวมาตามลําดับทีนี้ความหมายนี้ผมพูดขยายให้เห็นภาพเห็นภาพในความหมายนี้ก็คือถ้าในกรณีนี้ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน เราก็กําลังพูดเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกได้ว่าสังขารร่างกายนี้ก็เป็นเพียงแค่สิ่งปรุงแต่งขึ้นมาเพียงช่วงขณะสั้นๆหนึ่งอย่าไปยึดติดผูกพันกับมันเลยเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเราจึงการพูดพูดถึงการเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในการเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินั้นแหละจึงเป็นความหมายที่ทําให้สิ่งที่มันเป็นความสําคัญเกิดขึ้นในจิตใจของเจ้าพุทธพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเกิดมาเป็นสัตว์เกิดมาเป็นมนุษย์อนเอกนกนันจกนกระทั่งจําไม่ท้วน เพราสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สำคัญคือกลับมาสู่สภาวะภายในใจของเราเถิดเพราะสิ่งที่มันเป็นการเกิดขึ้นมาถือกายถือกายนี้นะถ้าวันหนึ่งกายนี้ต้องชำรุดก็คือป่วยกายนี้จะต้องแตกสลายคือตายก็ไม่ควรที่จะมาโศกเศร้าเสียดายสิ่งที่มันเป็นความหมายที่แตกสลายไปเช่นนั้นนี่คือคำสอนที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ครับ อ, อาจารย์คะนูฟังดูแล้วเนี่ยมันมีความลึกซึ้ง มีความลึกซึ้งมากทีเดียวคือถ้าเกิดว่าตีความเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้ผิดความหมายอา้อาวเหมือนกับว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นก็กับญาติพี่น้องเอ๊ะค่าได้อย่างนั้นหรือเปล่าคือมันจะ ต, ตีความได้หลายมิติมากแต่พอฟังอาจารย์อธิบายให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือมันเหนือมันเหนือขั้นนั้นไปแล้วใช่แล้วก็เหมือนกับว่าการลบในที่นี้ก็เป็นเพียงแค่สื่ออะไรบางอย่างที่ทําให้การทําหน้าที่เนี่ยได้บรรลุ ไปถึงไปถึงเป้าหมายของการเกิดมาเนี่ยนะคะถ้าถามอาจารย์ว่าอย่างชุดเนี้ยที่ท่านปรมาหังสายโยคา น, นันท์ท่านเขียนเนี่ยใครบ้างที่ควรจะอ่านนะคะอาจารย์เพราะว่าเท่าที่เปิดดูเนี่ยก็จะมีทั้งในแง่ของปรัชญามีเรื่องของอธิบายสภาวะที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนนะคะก็เลยต้องเรียนถามอาจารย์ว่าใครบ้างที่ควรจะอ่านคะ่ะหนังสือที่ส่งคุณค่าชุดนี้ ผมคิดว่ากลุ่มแรกที่ถ้ารู้ข่าวสารที่เป็นกลุ่ม้าา่นจะต้องสมควรคือผู้ที่สนใจด้านเขาเรียกว่าภารตะวิทยาหรือจะเรียกว่าสนใจด้านปรัชญาและศาสนาอินเดียนี่กลุ่มแรกเลยนะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ด้ที่มีความรู้พื้นฐานที่มีความรู้พื้นฐานแล้วเพราะสิ่งที่มันเป็นหัวใจสําคัญของอหนังสือชุดนี้ก็คือการอธิบายหรือตีความเนาะ สิ่งที่มันเป็นตัวบทที่สำคัญคือพักวัตคีตาโดยถ<ม>้อยคำสำนวนและก็ด้วยความหมายของบุคคลซึ่งเป็นนักบทในาศาสนาฮินดูทีนี้ความหมายเช่นที่ว่านี้นะครับผมก็จว่าท่านผู้ที่ตีความนี้ก็มีจิตใจที่เปิดกว้างนับจากแต่ท่านเป็นชาวฮินดูแต่ท่านก็เปิดกว้างที่จะตอบรับความคิดความเชื่อของเพื่อนของท่านในอเมริกาคือชาวคริส และผมก็ใจว่าสภาวะที่จิตเปิดกว้างตรงนี้ท่านจึงพร้อมที่จะเปิดเผยความหมายโดยไม่ติดข้องอยู่กับกรอบความคิดที่เป็นฮินดูเท่านั้นก็คือสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นพัควัตสกีตาเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มันเป็นสากล คำว่าเป็นสากล น, นี้จึงไม่เป็นประเด็นว่าพวกเราที่เป็นชาวไทยจะนับถือศาสนาใดผมเข้าใจว่านับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาฮินดูนับถือศาสนาคริสต์หรือแม่นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถที่จะศึกษาคมภีร์นี้ในฐานะซึ่งเป็นคมภีร์ส่วนที่อธิบายหรือเปิดเผยความหมายซึ่งเป็นสภาวะภายในใจ <S <S ที่ปรากฏอยู่ในตัวเราทุกๆคนได้สีนี้ความหมายเช่นที่ว่านี้อาจจะยากเกินไปผมก็เลยจึง กลุ่มแรกนี้คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานแล้วก็เข้าใจศัพท์เทคนิคหลายๆคําในนี้อยู่แล้วนะอย่างเช่นพิจิตรพระเวทย์โยคีพาระตะแล้วก็คีตาคือเป็นศัพท์ที่เราคุ้นคุ้นเราคุ้นคุ้นแต่ว่าเป็นศัพท์ทางด้านทางด้านเทคนิคที่ใครไม่สนใจด้านนี้มาก่อนก็เป็นศัพท์ที่เหมือนกับแปลกใหม่สหัชญานอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานใน จะได้อะไรบ้างจากการจากการอ่านหนังสือทีนี้ถ้ามาถึงกลุ่มที่2องมาที่พี่ผมมาถึงกลุ่มที่1ซึ่งกลุ่มพวกนี้จะไม่มีปัญหาในกรณีเขาต้องไม่มีปัญหาเรื่องสับเทคนิคสับเทคนิคครับผมก็จะกลุ่มที่สคือกลุ่มคนที่แสวงหาค่ะกลุ่มคนที่แสวงก็คือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยในความหมายที่ตัวเองถือครองอยู่หรือมีอยู่ที่สังคมมอบให้แต่คิดอยากจะหาความหมายใหม่ๆคําว่าความมาใหม่ๆก็คือนึกถึงภาพนะเราเกิดมาในสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ย เราก็มีชุดความหมายซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่เรารับมาโดยไม่รื้รู้ตัวอยู่แล้วหลังเมื่อเราเป็นชาวพุทธเราก็รับเอาคติความเชื่อบางอย่างแบบพุทธเข้ามาถ้าเราเป็นชาวคริสต์เราก็รับเอาคติความเชื่อแบบคริสต์เข้ามาถ้าเราเป็นพี่น้องชาวมุสลิมเราก็รับเอากติความเชื่อแน่นอนความเชื่อทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นความจริงเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะอธิบายความหมายของความเป็นจริงที่เราถือครองอยู่เนี้ไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องละทิ้งสิ่งที่เป็นการตีความนั้นหรือการถือครองัับหายคคครรง้ลนนะ <c oughs> มันกับถือหนังสืออยู่เล่มหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้แท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรผมใช้ความหมายของคนกลุ่มนี้ผู้ผซึ่งสแสวงหาความหมายใหม่ๆเพื่อจะใช้อธิบายสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่ถืออ ย, ออยู่หรือว่าครอบครองอยู่ผมก็จะว่าหนังสือชุดนี้นะครับเป็นการเปิดเผยสิ่งที่มันเป็นความทา้าทายของโลกยุคใหม่ว่าสิ่งที่เราตัวเองเชื่ออยู่เนี่ยนะครับถ้าเราจะตีความให้มันเกิดพลังตีความให้เกิดมีความหมายซึ่งเป็นปัจจุบันในขณะนี้เราจะตีความกันยังไงห <c oughs> นังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างนะ เป็นตัวอย่างการตีความสิ่งที่เป็นความเชื่อ ของเรา<ม>ซึ่งเรารับเป็นมรดกตกทอดมามว่าเราจะตีความความเชื่อที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้มีพลังในการมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างไรเหมือนกับที่เราพูดเมื่ตะกี้นะครับว่าจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงที่ทันโยคานั้นตตีความสงครามที่คุรุเกษตรที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ทุ่งค<ม>ุรุเกษตรที่ในประเทศอินเดียไม่ได้จบลงไปเมื่อเมืม่อไรเ ม, มืมม่อเป็นพันๆปีแต่มันมเป็นสงครามที่กําลังเกิดขึ้นเป็นอยู่และเป็นไปอยู่ในใจเราปัจจุบันซึ่งผมก็จะตรงนี้คือพื้นที่ที่สำคัญสำหรับความหมาของบุคลผู้ แน่นอนสับแสงอาจจะยากผมต้องขอโทษไปด้วยว่าจ ร, จริงๆตอนที่จะทําหนังสือชุดนี้เรามีการคิดกันว่าเราควรจะแปลเพื่อคนแฉวงหาไปเลยไหมเพื่อจะได้ทำผมเป็นบรรณาธิการนะคะท <ผม S 1> ี <ขอ S 1> ่คนบา่านโปรแกรครับทีนี้แต่ว่าเราต้องเคารพในต้นฉบับเมื่อท่านเขียนไว้เช่นไรเราก็ต้องเคารพต้นฉบับเช่นนั้นการตีความน่าจะเป็นหน้าที่ของผู้อ่าน ไม่ใช่หน้าที่ของผู้แปล ห, หรือผู้จัดทําำเพราะบ้นที่อาจจะถูกใจก็ได้นะคะได้ศัพ์ใหม่ๆเยอ ะ, เ, ยอะเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้อ่านถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเกิดการคิดตีความกันจะทําให้เกิดความหมายนหนังสือเล่มนี้จึงมีคําอธิบายซึ่งบางครั้งเราจึงมีศัพท์มีแสงท่านใช้สับที่ไพเราะด้วยนะว่าในร่างกายของเรานี้เหมือนเป็นหนึ่งอาณาจักรมีขุนพลมีทหารอย่างไงเป็นยังไงคล้ายๆเหมือนกับที่เวลาเราตีความพระพุทธศาสนาให้เอาเป็นวรรณกรรมเรื่องจิตนคร อ๋อของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆายาสมเด็จพระญาณสังวรแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับ ว่าเมื่อเราจะศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาบางครั้งเราต้องทํำสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นให้เป็นปุคลาธิฐานเป็นบุคลาธิฐานคือให้เป็นเรื่องราวเป็นบุคคลที่สามารถทําให้เราเกิดจินตนาการ ป, ประกอบได้ในกรณีเช่นเดียวกันเลยครับท่านโยคานันทะกํากลังทมเช่นนั้นกับคัมภีพัวัตตะกีตาเพื่อทําให้สิ่งที่เป็นพักวัตตะกีตาคือเสียงเพลงอันไพเราะจากพระผู้เป็นเจ้านั้นคือเสียงแห่งธรรมชาติในใจเรา เพราะฉะนั้นคนทั่วไปอาจารย์ก็มั่นใจว่าก็สามารถาสามารถอ่านได้ถ้าสนใจนะครับตรง น, นี้ต้อถ้าสนใจในความหมายนี้ผมเชื่อว่าถ้ามีความสนใจในความหมายนี้หนังสือชุดนี้ก็จะเป็นหนังสือซึ่งสามารถที่จะอ่านได้แม้จะไม่อ่านจบภายในเวลารวดเร็วแต่สามารถเปิดขึ้นมาอ่านในบางขณะที่เรามีเวลาว่างเพียงพอที่จะได้สัมผัสข้าใจกับตัวเราเองเป็นหนังสือที่จําเป็นไหมคะว่าจะต้องอ่านไปตามลําดับหรือว่าเปิดมาตรงส่วนไหนสโลกไหนอ่านเฉพาะประโยคนั้นได้สามารถไหมคะ ผมเชื่อว่าถ้าคนยังยังไม่มีความรู้อาจจะทําฟังเข้าใจกว้างๆก่อ น, น แ, แต่ถ้าพอมีความรู้โครงสร้างแล้วเปิดอ่านเฉพาะบทที่ตัวเอง <สน S 1> พอใ จ, ใจสนใจนะครับเพราะหลายๆเรื่องเป็นการพูดถึงความหมายที่ผมเข้าใจว่านะครับเป็นความหมายที่ในปัจจุบันเราก็สมควรจะมีความรู้มีความเข้าใจเพราะนี้อาจจะเป็นวิธีอธิบายอีกแบบหนึ่งเช่นธรรมชาติของมนุษย์ในสังคมของเรานะครับซึ่งแม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ส่วนประกอบในสภาวะดังจิตใจอาจจะแตกต่างกันบ้านเราอาจจะพูดถึงเรื่องอะไรหลายเรื่องใช่ไหมครับแต่ของเขาก็มีวิธีการ น, นำเสนอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความรู้แบบนี้นะครับอาจจะแปลกใหม่แต่สุดท้ายก็คือการอธิบายบุคลิกอธิบาย <c oughs> ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเราต้องผ่านพบทุกๆุกวีทุกวันเนี่ยครับ ว่ามนุษย์แต่ละคนอาจจะมีธาตุประกอบขึ้นเป็นตัวตนข อ, ของเขานี่มีความแตกต่างกันคนนี้อาจจะมีความหมายที่สําคัญอยู่กับการได้บริโภคเสพเส่วยสิ่งที่เป็นกรร ม, มาคุณอีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่นี่เป็นสิ่งต่ําๆสูงขึ้นไปวันนะ่ะคนเหล่านี้นะครับเราจะไปตําหนิประนามอะไรกันไม่ได้ดอกเพราะแต่ละคนต่างก็มีธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นทีนี้เราจะปฏิบัติต่อคนที่มีความแตกต่างแบบนั้นอย่างไรให้มีความเหมาะสมนี่คือความหมายที่ผมเข้าใจว่าก็มีปรากฏอยู่ในหนังสือชุดนี้ครับค่ะปิดท้ายกันนะคะคุณนุ่ฟังสโลกที่38เนี่ย จงทําใจให้เสมอกันวงเล็บทําใจให้นิ่งจงทําใจให้เสมอกันในสุขและทุกข์ในได้และเสียในชัยชนะและอับปราชัยเมื่อเจ้าเข้าสู่ยุทธภูมิด้วยจิตใจเช่นนี้แล้วบาปจะไม่มีแก่เจ้าครับนี่เป็นข้อความที่สําคัญเลยนะครับและผมก็เจอข้อความเนี้เป็นสากลมากเลยเรานึกถึงภาพนะครับคนที่ทําหน้าที่ได้อย่างไม่สุจริตใจว่างเพราะ<ม>ว่าเราไปคาดาหวังคนที่ลงสู่สนามแข่งขันที่เขามีความกลัวเพราะเขากลัวแพ้ พราะเขากลายใชัยชนะคนที่ทําธุรกิจต้องการกําไรจึงเกิดการกลัวขาดทุนคําถามว่าความกลัวเช่นนี้มีผลดีต่อการทํากิจในขณะปัจจุบันนั้นก็ไม่ทําใจให้ว่างสิครับเมื่อเราทํากิจถ้าเราเป็นนักกีฬาเราก็เล่นเกมไม่ดีที่สุดเมื่อเราเป็นนักธุรกิจหรือเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่าเอาจิตไปผูกพันกับผลที่จะเกิดเพราะถ้าไปผูกพันกับผลที่จะเกิดจะคดานความหวั่นไหวซึ่งเป็นบาปแล้วเพราะเราลงกสนามกีฬาเพราะกลัวแพ้ คำว่ากลัวแพ้มันมีผลอะไรกับความสามารถในการเล่นเกมไหมครับใจมันก็ไม่นิ่งนะใจก็ไม่่จะเล่นได้ไม่ดีไม่ไหวใช่นึกถึงภาพที่คําว่ากลัวแพ้ลนลานสุดท้ายก็เป็นบาปเป็นมลทินผมเข้าใจว่านี้คือความหมายที่เป็นหัวใจสําคัญของหนังสือชุดนี้เลยกําลังพูดในมิติและในแง่มุมต่างๆว่าขอให้แต่ละคนทุกคนเนี่ยทำจิตของตัวเองให้ว่างจากการยึดมั่นในผลแต่จิตที่ว่างจากการยึดนัในผลนั้นมันจะกลับมาสู่ความสามารถในการทํากิจ อันเป็นปัจจุบันขณะของเราให้มีประสิทธิภาพ <S <S ถ้าเราเป็นนักกีฬาเราก็เล่นเกมก็งเราให้ดีที่สุดนะครับอย่าเอาความกลัวแพ้อย่าเอาความอยากชนะมาเป็นตัวกําหนดและเราจะทำกิจของเราให้ดีที่สุดผมก็จะแม้กระทั่งสิ่งที่เรากำลังพูดเช่นง่ายๆถ้าเราเป็นนักศึกษาเราต้องเรียนให้ดีที่สุดคือให้รู้มากที่สุดอย่าไปกังวลว่าจะได้เกรดอะไร <S <S อย่าไปกังวลว่าสอบได้เกียรตินิยมหรือไม่ได้เกียรตินิยมเพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันถ้าเรามีความรู้ดี เราก็สามารถที่จะตอบคําถามของครูได้ดีและเราก็ย่อมจะได้คะแนนสูงนี่เป็นเรื่องปกติแต่เราจะส่งใจไปกังวลว่าจะได้คะแนนสูงด้วยวิธีแบบไหนกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยครับมันสูญเสียความหมายเป็นบาปใช่ก็เป็นบาปนะครับเพราะเราทำให้จิตของเรากังวลมีมลทินวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาแนะนำแล้วก็อธิบายพระวัตคีตาในฉบับของท่านปรมาฮังสาโยคานันทะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็ าสามารถถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปอย่าง c ีเอก็น่าจะมีเพราะว่าสายส่งเครดไทยเป็นผู้จัดจำหน่ายนะค ะ, คะแต่ว่าตอนต่อไปค่ะาจากพระวัทคีตานะคะห้องสมุดหลังใหม่ได้เรียนเรียนเชิญอาจารย์อีกหนึ่งตอนค่ะเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน เป็นกับผู้เขียนพระคัมภีตาโดยตรงก็คือเรื่องราวของท่านปรามาหั ง, หงสายโยคานันทะที่เป็นอัตชีวประวัติของท่านซึ่งเล่มนี้เห็นว่าเป็นหนังสือที่โด่งดังมากในสหรัฐอเมริกานะคะตอนต่อไปคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS สำหรับตอนนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะกับพระกวัดคีตาราชศาสตร์แห่งการยังรู้พระเจ้าของท่านปรามาหังษายโยคานันท์ที่แปลดโดยอาจารย์ ส, สุไสย์คันติวรพงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์ประมวลเพลงจันทร์เป็นบรรณาธิการขอบพระคุณมากนะโอกาสนี้ค่ะยินดีครับสวัสดีครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะพบกันตอนต่อไปกับเรื่องที่เป็นอัตาชีวรประวัติของท่านปรามาหังษายโยคานันทะในห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน